ขันห้าหรือความสงบล้วนยึดติดไม่ได้ท่านจึงพิจารณาพบชาติเกิดเพราะอะไรเมื่อยังไม่รู้เท่าสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงท่านให้ยกเอาเรื่องจิตสงบนี้ขึ้นมาพิจารณาเข้าไปอีกสังขารที่เกิดขึ้นมาสงบหรือไม่สงบพิจารณาเรื่อยไปจนได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนก้อนเหล็กแดง ขันห้าเหมือนกับก้อนเหล็กแดงเมื่อมันแดงรอบแล้วไปจับตรงไหนมันจึงจะเย็นได้มีที่เย็นไหมเอามือแตะข้างบนดูซิข้างล่างดูซิแต่ข้างโน้นข้างนี้ดูซิตรงไหนที่มันจะเย็นเย็นไม่ได้เพราะก้อนเหล็กมันแดงร่วไปหมดขันห้านี้ก็ฉันนั้นความสงบไปติดไม่ได้ จะว่าความสงบเป็นเราจะว่าเราเป็นความสงบไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าความสงบเป็นเราเข้าใจว่าเราเป็นความสงบก็เป็นก้อนอัตตาอยู่นี่เองก้อนอัตตาก็เป็นตัวสมมติอยู่จะนึกว่าเราสงบเราฟุ้งซ่านเราดีเราชั่วเราสุขเราทุกข์อันนี้ก็เป็นพบเป็นชาติอยู่อีกเป็นทุกขอ์อีกถ้าสุขหายไปก็กลายเป็นทุกข์ ถ้าความทุกข์หายไปก็เป็นสุขก็ต้องเวียนไปในโรกไปสวรรค์อยู่ไม่หยุดยัง้งพระศาสดาหเห็นอาการจิตของท่านเป็นอย่างนี้นี่แหละท่านว่าพบยังอยู่ชาติยังอยู่โรมันจั์ยังไม่จบท่านจึงยกสังขารขึ้นพิจารณาตามธรรมชาติเพราะมีปัจจัยอยู่นี่จึงมีเกิดอยู่นี่ตายอยู่นี่มีอาการที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่นี่ ท่านจึงยกสิ่งนี้พิจารณาไปให้รู้เท่าตามเป็นจริงของขันห้าทั้งรูปทั้งนามสิ่งทั้งหลายที่จิตคิดไปทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นสังขารทั้งหมดเมื่อรู้แล้วท่านให้วางเมื่อรู้แล้วท่านให้ละให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ทกุก็ไม่วางสิ่งเหล่านี้ได้ เมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของหลอกลวงสมกับที่พระศาสดาตรัสว่าจิตนี้ไม่มีอะไรไม่เกิดตามใครไม่ตายกับใครจิตเป็นเสรีรุ่งโรดโชติการไม่มีเรื่องราวต่างๆเข้าไปอยู่ในที่นั้นที่จะมีเรื่องราวก็เพราะมันหลงสังขารนี่เองหลงอัตตนี่เอง พระศาสดาจึงให้มองดูจิตของเราเบื้องแรกมันมีอะไรไม่มีอะไรจริงๆสิ่งเหล่านี้มิได้เกิดด้วยมิได้ตายด้วยถูกอารมณ์ดีมากระทบก็มิได้ดีด้วยถูกอารมณ์ร้ายมากระทบก็มิได้ร้ายไปด้วยเพราะรู้ตัวของตัวอย่างชัดเจนแล้วรู้ว่าสภาวะเหล่านั้นไม่เป็นแก่นสาร ท่านเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านให้รอบรู้ของท่านอยู่อย่างนั้นไม่ดีใจไม่เสียใจคือไม่เกิดไม่ตายตัวผู้รู้นี้รู้ตามความเป็นจริงผู้รู้มีได้ดีใจไปด้วยมีได้เสียใจไปด้วยอาการที่ดีใจไปด้วยนั่นแหละเกิดอาการที่เสียใจไปด้วยนั่นแหละตาย ถ้ามันตายก็เกิดถ้ามันเกิดก็ตายตัวที่เกิดตัวที่ตายนั่นแหละเป็นวัตตะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่หยุดเมื่อจิตผู้ปฏิบัติเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ต้องสงสัยพบมีไหมชาติมีไหมไม่ต้องถามใครพระศาสดาพิจารณาอาการสังขารเหล่านี้แล้วจึงได้ปล่อยวางสังขารวางขันห้าเหล่านี้ เป็นเพียงผู้รับทราบไว้เฉยๆมันจะดีขึ้นมาท่านก็ไม่ดีกับมันเป็นคนดูอยู่เฉยๆถ้ามันร้ายขึ้นมาท่านก็ไม่ร้ายกับมันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันขาดจากปัจจัยแล้วรู้ตามความเป็นจริงปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดไม่มีตัวนี้ก็เป็นผู้รู้ยืนตัวตัวนี้แหละเป็นตัวสงบ ตัวนี้เป็นตัวไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตัวนี้มิใช่เหตุมิใช่ผลไม่อาศัยเหตุไม่อาศัยผลไม่อาศัยปัจจัยหมดปัจจัยสิน้นปัจจัยนอกเหนือเกิดตายนอกสุขเหนือทุกนอกดีเหนือชั่วหมดเรื่องจะพูดไม่มีปัจจัยส่งเสริมแล้วเรื่องที่เราจะพูดว่าจะติดในสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจิตหรือเจตสิก ฉะนั้นเรื่องจิตหรือเรื่องเจตสิกนี้ก็เป็นเรื่องมีจริงอยู่เป็นจริงอย่างนั้นแต่พระศาสดาหเห็นว่ารู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้ารู้แล้วเชื่อสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหาความสงบไม่ได้รู้แล้วท่านให้วางให้ละให้เลิกเพราะจิตเจตสิกนี่เองนำความผิดมาให้เรานำความถูกมาให้เรา ถ้าเราฉลาดก็นำความถูกมาให้เราถ้าเราโงา่ก็นำความผิดมาให้เราเรื่องจิตหรือเจตสิกนี้มันเป็นโลกพระศาสดาก็เอาเรื่องของโลกมาดูโลกเมื่อรู้โลกได้แล้วท่านจึงว่าโล ก, กะวิถูผู้รู้แจ้งโลกเมื่อท่านมาดูสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอย่างนี้